ควาสงครามโลกก็คือความทุกความพินาศทิพย์หายของศาสตร์โลกนั้ น, นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวส ง, รสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใายๆก็มีใครๆก็เกิดเทากัติมันก็อยู่กับท่าทับขัน อยู่กับจิตใจอยู่ก็ถ้าเขาขันกีคือการเจ็บไข้ได้ปวดปวดหัวตัวร้อนปวยประการต่างๆงามันก็เรียกว่าสงครามมันท่ายาเขาไปปราบปราบอยาถูกมันก็หา ย, ยาไม่ถูกมันก็ตา ย, ยามันก็สงครามนึงสงครามทาาขัน สงครามโลกมันก็เรื่องถ่านเริ่อขันเรื่องทลายสมบัติเรืนองทองต่างๆทาลายจิตใจขงกันและกันสงครามภายในถ้าเ ก, ากิระหว่างพิเ็กกับใจนี่เป็นเรื่องทำลองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทาลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันถ้านีา่ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคุเยเด็กนี่มันมีมากมันลุกลามขึ้นมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสูงอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเมื่อน้วกันจเรื่องของสงครามเท้านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพอาะเรียกว่าสงคราม ในขันเรานีม้มีพอจะทราบได้ยิความเจ็บไขยได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอาชาเข้าไปแก้ไขรีบกลับไปมีเรื่อมีครั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามในระวังใจใระว่างใจกับที่เหลกนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้ที่เหลกอเหยียบย่ำทำลายอยู่วเรื่อยไป ไม่มีส่หมายปลายทางไันมีคือสิ้นสุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านปุถุพิบัติธรรมะจึงต้องดูเพื่นขวัญขวายในอันที่จะแก้สิ่งที่เป็นพิษภยัยจากจิตใจของตนให้เบบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือจะเรียกว่าสงครามก็ได้คือเราลบมีทางต่อสู้กัน หากขณะใดหรือเวลาใด ว, วันใดที่เหลือชนะเราเราก็ยอมทนามาทุกทรมานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความพักผ่อนจัจที่เหลือเหมาะไปช่วยการเช่อเวลาเราจ ม, มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระไม่ได้การต่อสู้กันโดยยิธีการต่างๆที่เดินจงกลมนั่งสมาธิภาว น, นาแก้ไขทางสติปัญญา อุบายของเราท้ารู้เท่าทันกับพิเรนมันก็งงระหนักระงับดับลงไปเป็นกำหนักสำหรับถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทําเราให้รับความลําบากอุบายที่จะสู้กับพิเดนก็คือสติปัญญาะเบียงก็คือความภาคเพี้ยนเป็นถนนเสมอนะ คมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือความสเสบียงเป็นกำลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหักที่เดลทั้งหลายเบาบางจากจิดใจใครจะมีความรุ่มเย็นเป็นสุดนี่คือว่าการต่อสู้กันระหว่างที่เดลกกับทํา ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเรื่งมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกขึ้นเกิดขึ้นจากอำนาจอันนาของจิตเหลือถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม่จะรับความลําบากสมมุนในการต่อสู้เส้นเดียวต่อเคารพในสงครามก็ตางก็ยังพองมีทางที่จะรับ ไทยชนะเป็นทพภักไปมีความสุข่อนสบายใจบ้างพงังของพวกเราพิ้ทางก็ดีทำมังสามครั้งก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมรสสงครามหกพระธรรมสาทงชัยยิงปรากฏขึ้นมาเป็นทำมังสนังขราษมีแก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอือสมบัติ ดูเริ่มแร่ตั้งแต่อยู่ในคารวาสเยื่ออื่นมีพันมุ่งมั่นต่ออัดต่อทำประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเกิญตนเพื่อทัศน์ที่เหลือวิกาการที่เหลืซึ่งมีพายในจิตใจทั้งหมดไปโดยลําดับลำดักในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ที่งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆ ยาบทต่างๆเป็นในป่าในเขาต้นไม้ไายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นน่าเป็นที่เหมาะสมของการลบกุ่งทินงทรายกับที่เหลืแต่ละองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัปยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความาท่าเปลี่ยนเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาถึงได้รปรากฏก็เป็นทั้งขังสนองระษา น, นืคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิต กับรรหรือระหว่างพิเ็กกับธรรมได้ครองมรงมาสุขเป็นภายในจิตใจปรากฏเป็นสาาณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนางกับสามทั้งสามสานะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับชัยชนะเราผู้เป็นทุธบริษัตไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีกต่ยอมแพ้อย่างร่าไปตลอดเวลานั้น ำมำว่าพุทธวิสัชมันก็มีความหมายอะไรที่นั้นเพื่อให้ความหมายคำวา ม, มาพุทธวิสัชน์ได้จากลูกตาหลอกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาถึงสถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าวไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมุติยมกันต้องมาถึงสถานที่ลำบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นมันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมันขอางโดยน้ำโดยอะไรก็แล้วแต่เราจะกินาศทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเตินตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งอนี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายินจิตใจของเราเราตั้งนาคพฤทธปฏิบัติ คำจัดวิเลศซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความมื่นริง ม, ม, มันตึงด้วยความพ อ, อพอใจนี่ก็คือว่าเราดําเนินตามสอยธราาบาติของพระพุทธเจ้าหรืว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างวิเลศ ก, กับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจวิเลศ ก, ก็มีอยู่ที่ใจการรบการจุ้งรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพินไทยกับวิเลศ จิตใจเราก็จมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลําบากเป็นธรรมนาเพราะเป็นสนามร บ, บ ข, ของพิเรศกับธรรมซึ่งรบคันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะึงเกิดขึ้นจากการลาบากเพราะความภาพเย็นด้วยการรบกับพิเดษนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความเค้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมา เรื่งมีความทอดถอนมีความอิจฉาราคาใจต่อความท้าบเปลี่ยนที่จะก้าวไปโดยลําดับหนับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราคุณได้รู้ถึงธงอย่างพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในแทรสรุ่งกิบโตขวาหรืออานเดรุขขมูลเลรว่าซึ่งญาตาเลวทีกรบอกเมื่อเธอทั้งสั่สอนพระเมื่อเธอทั้งหลายทีเธาอยู่ในลุขมูลงไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความครวเกิดขึ้นพึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมณศาสด า, ศาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความตัวที่เกิดบิดพันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุสเรกระสะหาอายเรยาทะนันทะระสุ หากอัตภุตทางเสรยยะทะหากว่าจะลุกถึงบุธเท้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงรุกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวที่มีอยู่ภายในจิตใจหากเราลุดถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วพิ่งรุดถึงพระสงฆ์เถิด แ, แล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะ้เกิดความมาั่นใจในเถิดทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูนก้นไม้มเรือนบ้างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในชาติณะชาติะใดก็ตามเป็นหลักภายในใจิตใจโอเคทั้งหลายจะมีชยัยชนะความบาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีใส่จิตใจแล้วจะ เห็นทาชนะไปโดยลํา ด, ดับหนาดได้นี่เ ป, นเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนข้าในครั้งพุทธกาลครังพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความครัวคำท่านพึ่หมันไหว้ต่างๆก็ได้แจกที่เด็ดซึ่งก็มีอยู่ภายจิตใจเช่นเดียว ก, กันกับครั้งพุทธกาล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 ให้เราคป็นระลึก อ, อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่รลึกกิจกรของเราย่อมขึ้นหน้าลึกขอยตามนั่นให้พิเรศด้วยความทอดแย้แล้วมันถูกล่าลงไปแล้วระลึกถึงก็ท ำ, ทำถ้าทำสำหรับเป็นของกระเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอะความ ท, ทดอดถอยเรานี้เป็นของกระเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคอยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมั่ง่ายความนแย่นี่นักหนา หากว่าสิ่งอันนี้เป็นของประเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้ทําไมถึงไม่ประเสริฐการและเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใด ย, ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอดแฉ อ, อ, อันเดยึดเอาหลักความเฉลีย ง, งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆาสนังฉามิของพวกเราท่าน ท, านทอดแฉ อ, อ, อันเดหรือ ความระแ่ะแดนี้กับสังขางรพลังกระฉามนี้เข้ากันได้ไหมความตะแ่ะแดดเรื่องของพิเดกก็คือเป็นเป็นเรื่องทำลายสลระซึ่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองข้ามสอนตัวเองรึดซักกันระหว่างพิเดกกับธรรมพิเดกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือพิเดกแต่มันฉลาดสําหรับสังสอนคน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 เพอการสู้รบ ก, กับพิเลสเราจะาความกระดวกสบายมาจากที่ไหนเนี่ยจะทางานธรรมดาก็ยังลําบากอันนี้การสู้กับพิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดพายในจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนืจิตใจของคนมันนานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจกักรนี่มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวหงหนึ่งๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งอันนี้เป็นเครื่องปกครองเนี้ยเราจะกําจัดตัดเตาหรือทําละออกหน้ายอย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตกเกียบสกายจึงต้องพยายามจุดกำลังความสามารถทั้งปีปัญญาทั้งความภาคเพยียนด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตธรรมเพื่อสิ่งนี้จะเลยลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจจะปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดำเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึ่งดเลยให้เราเลืกไว้เสมอในการปฏิบาาัติธรรม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 ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสมบุกสมบันลำบากจากจำมาจนชุดแค่ชีวิตจะไปไม่รอดยินได้ว่าเป็นพุทธทางธรรมสังฆัรรมสำังกาะสาทีของพวกเรานี่เราผูดําเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลําบากลาบดบางครัง้งบางคราวต้องอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย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 ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปหรือให้หลุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักมองเห็อัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คิดกแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดาเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่ถึนควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่แหงการประพฤติถังท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนิน เ, เพื่ออัดเพื่อทำก็ต้องเห ย, ยียบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำานามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแจ้ไขายกิเลสจึงเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทํานะาเนื่อย ไ, ไ, ไป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 วินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วกับเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้เด็ดขาดนะอยู่ใยการขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดนั้นความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นนะถึงการแน้องพัดพาจากกันเป็นธรรมดาเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าสื่อสอนว่ากับเพลสัตว์ตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์ก็จะเป็นเพืเ่อนทุกข์ก็จะจบชาวิด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวานตุจงอยาได้พยาาว่าฆ่าเย็นอย่า้งอย่าได้มีเยนแจกันในการธรรมญาประชาหหนตุจงอย่้พยายามว่าอ่าอาฆาตอย่าได้เบีดเดียนกันอขาหนตุขี่กันนั่งไหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วถันเถิดนี่ถ้าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกกแจสจิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจการ ถ้ามีความเมตตาสงสารจริง ก, นนการณ์กันเพราะอย่างไงอย่างไรเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกล า, าไว้แล้วนะ่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีล่ไปการทั้งทางถนนทุ่งทางก็ดีตีกร า, าว่าแล้วโอสัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ย mm. บอกไว้แล้วแล้วก็ตีกล า, ามาเรื่อยๆ เ, เ, เขาเอาลงฆ่าสัตว์นยไอ้เรามันก็ตีกลาไว้แล้วจะวาไนไง คนนี้วันนั่นคนนั่นเดือนนั่นคนนั้นปีนั้นตีกราไว้หมดเป็นตัวแปลงกรานี่ไม่ได้เหมือนอย่างกราเพราะตีกับเบือกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไงมันก็เป็นกราหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจรึงไม่ควรจะประมาทอดีเดิมควงคว า, ควายบําเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นบัดของเราส่างกรานี่จะเป็นบัดของพยายมตยาติราที่ความแตกความตายเขาปล่อยเข้าไปจะไปเจ้าดายจะเป็นหัวงนหัวงก็เป็นความลําบากลาบนตนหมดกลา่าวปล่อยกลางความเป็นจรินนั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำให้รู้ตามประจีนปล่อยลงตามสภาพขอ่งโลกอนิจจังทุกขังนาตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังนาตาป่อยลงตางสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องหยุดต้อเยึงกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลกักษณ์อนิจจังทุกขังนาตาจิต ที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตกไ็ไม่หนักจิตจะมีความเบาสว่างกระจากก่างแจ้งสลัดปัดทิ้นได้ทั้งหมดจิตก็เป็นยิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไก<อ>ลักณนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเออจะเรียกว่าอะไรก็ได้หม<อ>ถึงขั้นนี้แล้วสมายทั้งนั้ น, นขอให้ทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติปฏิบัติวันนี้รู้สึกหน่วยเพียเพศมาเกิดจากอะไรนะก็ไม่ใช่ไม่ถนัดหัน ส, สันทุอันนั้นก็มีเพียแต่จะให้หิวโหยอยากอะไรไม่อยากนะเฉยเออละขอฤทติ์จงแก น, น